เรื่องอาการที่ทำอบโบสถครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าการทำอบโบสถมีเท่าไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทสสรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายการทำอบโบสถนี้มีสี่อย่างคือ 1. การทาอบโบสถแบ่งพวกโดยไม่ชอบทรสองการทาอบอุศดพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบรม สการทำออุโบสถแบ่งพวกโดยชอบธรรม 4. การทำออุโบสถพร้อมเพียงกันโดยชอบธทำภิกษุทั้งหลายในการทำออุโบสถเสี่อยงนั้นการทำออุโบสถใดแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำการทำออุโบสถเช่นนั้นไม่พึงทำและเราไม่อนุญาตการทำออุโบสถเช่นนั้นการทำออุโบสถใดพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบทำการทำออุโบสถเช่นนั้นไม่พึงทำและเราไม่อนุญาต การทำออุโบสถเช่นนั้นการทำออุโบสถใดแบ่งพวกโดยชอบธทมการทำออุโบสถเช่นนั้นไม่พึงทำและเราไม at um. ่อนุญาตการทำออุโบสถเช่นนั้นการทำออุโบสถใดพร้อมเพียงกันโดยชอบธทำการทำออุโบสถเช่นนั้นพึงทำและเราอนุญาตการทำออุโบสถเช่นนั้นพิกสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอพึงสำเนียกไว้ว่า จะทำบูบสตรกรรมชนิดที่พร้อมเพียงกันโดยชอบทำดังนี้พวกเธอพึงสำเนียกไว้อย่างนี้แหละ